เริ่มต้นกันที่วัดที่1ค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือวัดปีตุลาทิราชรังศฤษด์จังหวัดฉะเชิงเซานะคะทําไมถึงต้องบอกว่าวัดนี้เฮี้ยนก็เพราะว่าวัดนี้มีตํานานของวิญญาณเฮี้ยนที่ลานประหารวัดปีตุลาทิราชรังศฤษด์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 วัดที่สองนะคะคือวัดสุวรรณารามอยู่ที่บางเกอกน้อยค่ะวัดสุวรรณารามเดิมเรียกว่าวัดทองสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงธนบุรีค่ะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากสินป์ทรงมีพระราชดำรัสให้นำเฉลยศึกพม่าจากท้ายางแก้วไปประหารชีวิต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 เธอก็ได้เข้าห้องน้ำพอเปิดประตูห้องน้ำไปก็พบกับผู้ชายใส่เสื้อสีชมพูตัวสูง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 พอตอนเช้าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อก็เลยพาไปที่ห้อง139ค่ะแต่ว่าพอไปถึงพยาบาลกลับบอกว่าคนไข้ห้องนี้เสียชีวิตไปเมื่อสองวันที่แล้วค่ะคุณหมอเรื่องที่7ค่ะห้องคลอดสยองขวัญเมื่อประมาณสองสาปีที่แล้วได้มีเด็กวัยรุ่นพม่าผู้หญิงคนหนึ่งมาคลอดลูกที่โรงพยาบาลซึ่งทั้งแม่และก็ลูกปลอดภัยดีค่ะ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 พอพูดจบร่างเด็กน้อยคนนั้นก็จางหายไปคืนเดียวกันค่ะ ท, ทั้งที่หลับไปแล้วก็กลับได้ยินเสียงเด็กผู้ชายดังขึ้นบอกซื้อพวงมาลัยไม่ลุงตอนนั้นคิดว่าตัวเองฝันละเพราะว่าโรงพยาบาลนี่ห้ามให้คนขึ้นมาขายของอยู่แล้วแต่ว่าพอลืมตาตื่นขึ้นมากลับเห็นเด็กชายคนนึ่ง่ะยืนถือพวงมาลัยอยู่ตัวเต็มไปด้วยเลือดและที่สาคัญขาทั้งสองข้างหายไป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 คนขับรถก็ได้รับโทรศัพท์ว่าให้ไปรับศพของคนไข้คนเดิมกลับมาตอนนั้นเขาเพิ่งจะจอดรถได้ไม่นานก็เลยสะบัดออกมาบอกว่าทําไมรีบตายจังวะเนี่ยตายพรุ่งนี้เช้าก็ไม่ได้พอไปรับศพขากลับค่ะอยู่ๆก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางทั้งทางที่ตอนนั้นเกือบจะตีสาแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอขับไปสักสินาทีอ่ะเห็นเหมือนเดิมอยู่ข้างถนนเหมือนเดิม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 ตื่นมาอีกทีนึงก็เหมือนคนสติไม่เต็มเดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้ผ่านไป3ามสี่วันแกก็ผูกคอตายในห้องน้ำนะคะโท